ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปับพาปุกพาสิกขาและบุกพาสิกขาวันนาพระอมาราพิรักิตะอมโรโเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรสนาต่อไปจะเป็นทุกกตาบัตในเสกยักษจากพันนาในสิกขาบทแห่งทุกกตาบัตต่อไป จะแสดงในเสรษฐีตุกตาบัตรกรเศรษฐีนี้มีสี่แผนคือเป็นสารูปหนึ่งความเหมาะสมโภชนะปฏิสังยุตเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคการครบการชั น, นธรรมเทศนาปฏิสังยุตเกี่ยวกับเรื่องการแสดงธรรมปกินกะก็คือเบตเร์ตซึ่งมีสามข้อเท่านั้นเกี่ยวกับการตัดสวาอุจระบวนเคละต่างๆเหล่า น, าาานี้สารูปเศรษฐีมีสิขาบทยี่สิบก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 ก็ไม่เป็นอาบัตแม้สงใจไปอื่นนุ่งไม่เป็นปริมณฑลดังนี้ก็ชื่อว่ามีมีสติก็เป็นอนาบัติไม่เป็นอาบัตินะยังไม่รู้เพื่อจะนุ่งให้เป็นปริมณฑลดังนี้ชื่อว่าไม่รู้ก็เป็นอนาบัตเหมือนกันก็แต่ว่านิวาสนวัต ร, รมเนียมในการนุ่งผ้าที่สุจําต้องเรียนศึกษาให้รู้เมื่อไม่ศึกษาชื่อว่าไม่เ อ, อื๋อเฟือคงไม่ผลจากอานาดลิยะทุกกฎหมายถึงเป็นทุกกฎ ด, ด้วยความไม่เ อ, อื้อเฟือ เพล็กตูดแข้งยาวหรือว่าเนื้อปลีแข้งใหญ่เพล็กตุนั้นจะนุ่งให้เลื้อยไปเกินแปดนิ้วเพื่อให้เป็นสารูปให้เหมาะสมพระอาจกราจารย์ท่านว่าควรอยู่เพล็กตูดมีแผลในแข้งหรือในเท้าดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นไข้เธอนั้นจะนุ่งให้เขินขึ้นมาก็คือให้มันลอยขึ้นมาหรือว่าเลื้อยลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อจะปิดแผลเหล่านั้นควรอยู่สตร้ายหรือว่าโจรไล่ชื่อว่ามีอันตราย ในอันตรายเช่นนี้เป็นอนาบัตรมันเลื้อยลงไปแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นอนาบัตรเหตุแห่งอนาบัตรมีไม่แกล้งเป็นต้นดังกล่าวมานี้ให้พึงรู้ในเสกียสิขาบททั้งปวงทุกข้อเลยก็จะมีอนาบัตรอย่างนี้ซึ่งจะกล่าวต่อไปข้างหน้าเพราะเหตุนั้นในสิขาบทใดมีแปลกจึงจะกล่าวในสิขาบทนั้นถ้าไม่มีแปลกก็จะไม่กล่าว ในเสียคียะทั้งปวงเป็นอนานนติกะทั้งสิ้นก็คือใช้ให้เขาทำประพฤติผิดอย่างนี้เช่นใช้ให้นุ่งผมไม่เป็นปริมณฑลคนใช้ไม่ต้องอาบัติด้วยคนทำเป็นในสิกขาบทที่หนึ่งนี้มีองค์สามก็คือไม่เอื้อเฟื้อหนึ่งไม่มีเหตุแห่งอนาบัตหนึ่งนุ่งไม่เป็นปริมณฑลหนึ่งพร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นทุกกฎในเสียคียะทั้งปวงก็มีองค์สามเหมือนในสิกขาบทนี้ทั้งสิ้นเลย ก็คือไม่เอือเฟื้อย่างหนึง่งไม่มีเหตุแห่งอนาบัติอย่างหนึง่งแล้วก็กระทําให้ผิดจากความที่กล่าวในสุขาบทนั้นๆอย่างหนึง่งเพราะเหตุนั้นต่อไปจักไม่กล่าวประเภทแห่งองค์อีกสมุทฐานวิธีเป็นต้นเมื่อจบเสกียะแล้วจึงจะแสดงในมาติกาแห่งเสกียะทั้งปวงไม่มีชื่ออาบัตในท้ายสุขาบทดังสกขาบทแห่งอาบัติอืน่นมีแต่คําว่าสกขาการณียา แสดงว่าเสกยัญนี้ก็ไม่ได้มีการตั้งชื่อเอาไว้แต่ว่าท่านอาจารย์หรือว่าท่านที่ศึกษารุ่นหลังนี้ก็ท่านก็มาตั้งชื่อกันเอาก็ได้อย่างเช่นปริมัณฑะสิกขาบทพึง น, นุ่งให้เป็นปรุนทนเนี่ยนะปริมัณฑะมิวัสณะอย่างเงี้ยก็เป็นชื่อเอาไว้เรียกขาดกันได้แต่จะเรียกว่าเป็นเสกยัญสิกขาบทที่หนึ่งในสารูปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็มีแต่คำว่าสิกขากรรณิยาว่าความศึกษาหรือว่าสำเนียา ทพิสูจน์พึงทำดังนี้ทุกสิกขาบทซึ่งรู้ว่าเป็นอาบัตทุกบทนั้นด้วยบาลีซึ่งเป็นบทภาชนะว่าไม่เอื้อเฟื้อขืนทำต้องทุกข์กดพระเหตุนั้นต่อไปแม้ไม่ออกชื่ออาบัตก็เหอรู้ว่าเป็นอาบัต ด, ด้วยไม่เอื้อเฟื้อในที่จะทําตามก็คือเป็นอาบัตทุกบททุกสิกขาบทเลยสําหรับส ม, มุดฐานท่านบอกว่าตอนท้ายปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะบอกข้อที่หนึ่งนี้บอกข้อที่หนึ่งก่อนก็แล้วกัน ถ้าข้อข้อหนึ่งนี้ก็มีสมุทฐานดูดปฐมประราชิตก็คือมีสมุทฐานเดียวเพื่อแต่สมุทฐานเดียวกายจิตกิติยาสัญญาวิโมกขจิตติกะโลกวัชชะกายกรรมอกุศลจิตแล้วก็เป็นทุกขเวทนาเพราะว่าไม่เอื้อเฟือ้อแต่สําหรับของประราชิตกร์สมุทฐานประราชิตร์ข้อประราชิตรจริงๆปฐมประราชิตมีเวทนาสองก็คือเป็นโลภะบริจิตเพราะฉะนั้นจะต้องมีสมนัตกับอุเบกขา แต่ว่าในที่นี้ศิกขาบทุกข้อถ้าไม่อื้อเฟือนี่ก็เป็นทุกขเวทนาในศิกขาบทที่สองป่าว่าให้ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักผมผ้าให้เป็นปริมนทนคือทำมุมผ้าทั้งสองให้เสมอกันแล้วจึงห่มท้งนี้ศิกขาบททั้งสองนี้กล่าวไม่แปล ก, กันประเหตุนั้นพึงนุ่งและห่มให้เป็นปริมนทนทั้งในวัดทั้งในแวกบ้าน ศีกขา บ, บทข้อที่หนึ่งการนุ่งให้เป็นปริมณฑลข้อสองก็ห่มให้เป็นปริมณฑลทั้งในวัดและก็ในบ้านถ้านในบ้านก็ห่มคลุมถ้านในวัดก็ห่มเฉวงบาในสีกขาบทที่สามว่าพึงทําความศึกษาว่าเราจะปกปิดกายด้วยดีคือกลับลูกดุมแล้วปิดคอด้วยที่ตุดอนวุวาทำมุมทั้งสองให้เสมอกันม้วนเข้ามาแล้วก็ปิด จนตลอดข้อมือแล้วจึงเดินไปในระแวกบ้านเมื่อไม่ทาเช่นนั้นเปิดเข่าหรืออกเดินไปก็เป็นทุกกฎสําหรับชื่อก็ตั้งเอาไว้เรียกกันก็ได้จะมีการตั้งชื่อเอาไว้สําหรับสิกขาบทในเสกียวัฒก็ที่หนึ่งก็เป็นปริมันตะมีวาชนะสิกขาบทก็ที่สองก็เป็นปริมันตะตารูปะณะห่มให้เป็นเริม่มรทุสิกขาบทเนี่ย ส่วนข้อที่สามก็เป็นการปกปิดกายดีไปในแวกบ้านสุปฏิชนะขมณะสิกขาบทส่วนสิกขาบทที่สามสุปฏิชนะขมณะสิกขาบทที่สี่ก็เป็นสุปฏิชนะนิสีนะปกปิดกายด้วยดีนั่งในระแวกบ้านพึ่งทำความศึกษาว่าเราจะปกปิดกายด้วยดีนั่งในระแวกบ้านคือนั่งเปิดศีรษะแต่หลุมคอขึ้นไปเปิดมือแต่ข้อมือออกไป เปิดเท้าตั้งแต่เนื้อปลีแข้งออกไปปิดอวัยวะอันเศษนอกนั้นตังนี้ชื่อว่าปิดด้วยดีเข้าไปเพื่อจะอยู่ในแวดบ้านแม้นั่งเปิดกายในกลางคืนหรือในกลางวันไม่เป็นอบัตถ้าเข้าไปอยู่ในแวดบ้านแล้วหมายถึงว่าจะอยู่พักวาสุปะตัสสะในคำนี้ในอัตถกษากล่าวว่าเข้าไปเพื่อจะอยู่แต่ไม่กาหนดว่าอยู่แรมราตรีหรือว่าอยู่ด้วยการงาน แต่ในที่อื่นวาสูปคัตโตนี้ได้ความว่าเข้าอยู่แรมราตรีเพราะเหตุนั้นต่อไปข้างหน้าในคำว่าเข้าไปอยู่ในระแวกบ้านให้พึงรู้ดังกล่ามานี้เถิดก็คือถ้าจะเข้าไปอยู่พักในที่นั้นก็เปิดกายได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าจะอาบน้ำบางจะอะไรบ้างแต่ว่าก็ต้องดูว่ามีพวกชาวบ้านมีพวกเรือหัดเขาอยู่หรือเปล่ากิริยาการเหมาะสมไหมก็ต้องพิจรารณาส่วนสิกขาบทที่ห้า สูตรสังหูตตะขมนาสิกขาบทเพึงทำความศึกษาว่าเราจะสำรวมระวังด้วยดีคือไม่เล่นมือเล่นเท้าขนองมือขนองเท้าเดินแต่ในแล้บ้านสิกขาบทที่หกสูสังหูตะนิชีดะนะสิกขาบทเพึงทำความศึกษาว่าเราจะสำรวมระวังด้วยดีไม่เล่นมือเล่นเท้าก็คือขนองมือขนองเท้านั่ ง, นงในแล้บ้านสิกขาบทที่เจ็ด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 โอคิตจักุนิสี d นะ a สิกขาบทพึงทำความศึกษาว่าเราจับทอดตาลงเบื้องต่ำไกลเพียงชั่วแอะนั่งในระแวกบ้านแม้ไปนั่งในระแวกบ้านก็จะต้องมองชั่วแอะเหมือนกันข้อที่เก้าคิตตะกะธรรมะสิกขาบทพึงทำความศึกษาว่าเราจับไม่เลิกผ้าห่มขึ้นข้างเดียวหรือสองข้างเดินไปในระแวกบ้านแม้เมื่อรับบาดก็อย่าพึงเลิก ข, ขึ้นพึงนำบาดออกโดยกลีดจีวรเราอย่าไปยก ชาชีวรนขึ้นมาอย่างนั้นก็เรียกว่าเลิกผ้าข้อที่สิบอุคิตตะกานิสีดนะสิกขาบทพึ่งทําความศึกษาว่าเราจักไม่เลิกผ้าหรมขึ้นข้างเดียวหรือสองข้างนั่งในระแวกบ้างในเวลานั่งอยู่แม้จะนําธรรมกบออกก็อย่าพึงเลิกผ้าขึ้นนําออกเมื่อเข้าอยู่ในบ้านแม้จะเลิกขึ้นไม่เป็นอบัติถ้าก็ไปอยู่ไปพักแล้วจะเลิกผ้าปลดผ้าอะไรต่างๆก็ไม่เป็นไดร ข้อที่สิบเอ็ดอุดชักชิกกะขมานะสิกขาบทพึ่งทําความศึกษาว่าเราจักไม่หัวเราะดังเดินไปในแวกบ้านข้อนี้ก็พิสูจไข้ไม่มีนะก็คือไม่ยกเว้นเองถ้าเป็นไข้ก็มาหัวเราะเสียงดังอันนี้ก็ไม่เหมาะสมแล้วนะนะมันก็ควรจะสงบเงียบมากนะถ้าเป็นไข้สิกขาบทที่สิบสองอุดชักชิกกะนิสีดนะสิกขาบทเพิ่งทําความศึกษาว่า เราจกไม่หัวเราะเสียงดังนั่งในระแวกบ้านเมื่อเหตุควรจะหัวเราะมีก็ทําแต่เพียงความยิ้มแย้มไม่เป็นอวบอั้นแค่เพียงยิ้มแย้มเทนี้ก็ไม่มีอวบอั้นอะไรข้อที่สิบสามอุจจจะสัตตะคามณสิกขาบทเพื่อทาความศึกษาว่าเราจะมีเสียงเบาไม่พูดเสียงสูงเสียงดังเดินไปในระแวกบ้านสิกขาบทที่สิบสี่อุจจจะสัตตะนิสีตะนาติกขาบทเพื่อทำความศึกษาว่า เขจับมีเสียงเบาไม่พูดเสียงสูงเสียงดังนั่งในระแวกบ้านก็แลกําหนดเสียงเบาดังนี้ในเรือนยาวสิบสองศอกหกเมตรเนี่ยนะถ้าพระสังฆเถระนั่งอยู่ต้นเรือนพระเถระที่สองนั่งอยู่กลางเรือนพระเถระที่สามนั่งอยู่ในที่สุดเรือนดังนี้พระสังฆเถระพูดจาปรึกษาความสิ่งใดกับพระเถระที่สองพระเถระที่สองได้ยินเสียงด้วยกําหนดถ้อยคําเนื้อความได้ด้วย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 สิกขาบทที่สิบห้าการยับประจาระกะธรมนากสิกขาบทพึ่งทความศึกษาว่าเราจัะไม่เดินโยกกายโครงกายซ้ายขวาหน้าหลังไปในละแวกบ้านสิกขาบทที่สิบหกการยับประจาระกะมิสีดนะสิกขาบทพึ่งทความศึกษาว่าเราจัะไม่นั่งโยกกายโครงกายซ้ายขวาหน้าหลังในละแวกบ้านข้อที่สิบเจ็ดาบุปจาระกะมนะสิกขาบท พึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่ไกวแขนโยนแขนเดินไปในแวกบ้านภาหุปจาระกศนิสิตนาสุธาบทที่สิบแปดพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่นั่งไกวแขนโยนแขนในระแวกบ้านสีสัพปจาระกขมนาสุขาบทที่สิบเก้าพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่โงศีรษะกรอกหน้าก็คือเดินสายหัวใส่หน้าไปเดินไปในระแวกบ้าน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 ถ้าเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยจะทําอาการอย่างนั้นบ้างถ้ามีเหตุสําคัญก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอัติายขัมพะกระตะขมณฑสิกขาบทที่21เพิ่งทําความศึกษาว่าเราจะไม่ทําความคั้มกายก็คือเอามือเท้าในะเอลข้างเดียวหรือว่าสองข้างเดินไปในละแวกบ้านขั้มพะกะตะนินะสีตะนะสิกขาบทที่22เพึ่งทําความศึกษาว่าเราจะไม่ทําความขั้มกายคือ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 เข้าอยู่ในบ้านแม้จะกลุ่มศีรษะก็ไม่เป็นอบัตลอุกุติกะคมนาสิกขาบทที่25พึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่เดินประโยองเท้าในละแวกบ้านยกส้นขึ้นถูกพื้นแต่ปลายเท้าหรือว่ายกแต่ปลายเท้าขึ้นถูกพื้นด้วยซ้นอย่างเดียวชื่อว่าประโยองเท้าในปัญลภิกะนิสีดาณสิกขาบทที่26พึงทําความศึกษาว่า เราจักไม่รัดเข่าด้วยมือหรือว่ารัดด้วยผ้านั่งในไระแรกบ้านเข้าอยู่ในบ้านแม้นั่งรัดเข่าก็ไม่เป็นอาบัติทั้ง26สิกขาบทนี้ทิกสุไดาอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแกล้งล่วงต้องทุกกฎไม่แกล้งไม่มีสติไม่รู้และมีอันตรายและทิสสุบ้าเป็นต้นเป็นอนาบัตทุกสิกขาบทแต่เป็นไข้นั้นเป็นอนาบัตแต่ใน25สิกขาบท ยกเดินหัวราเสียก็คือถ้าเดินหัวเราะนี่เป็นไข้มันก็ไม่เหมาะสมไม่ควรแต่ว่า25ติกาบทนั้นก็ถ้าเป็นไข่ก็ไม่เป็นอบับก็แลอันตรรัครังนี้ถ้าจะแปลตามพยัญชนะแปลว่าที่มีเรือนในระหว่างแปลตามอัฐว่าละแวกบ้านเพื่อจะให้พ้นจากศัพท์ว่าคามโมด้วยในวิธัทางแห่งปาฏิเดชนิยะท่านกล่าวไว้ไม่เหมือนกับคามศัพท์ดังนี้ว่า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 ในสักกัจจปฏิฆานาสิกขาบทที่หนึ่งซึ่งเป็นขอ้อที่ยี่สิบเจ็ดของเศรษียะความว่าพึ่งทำวามศึกษาว่าเราจักรับบินทบาโดยเคารพคือจะทำให้ดีตั้งสติคือจะไม่ทำดังจะเอาไปทิ้งเทเสียด้วยความโกรธในปฏตสัญญีปฏิฆาณาสิกข า, าบทที่สองของโพชราสังยุตนี้ พึ่งทําความศึกษาว่าเราจักมีความหมายผูกอยู่ในบาตรคือจักไม่เมินดูในที่นั้นๆให้มองดูในที่นั้นนนั้แง่ดูอยู่แต่ในบาตรขณะที่รับดินดั บ, บาตในสมะสู ป, ปะกปนะปติฆาณะสิกาบทที่สามว่าพึงทําความศึกษาว่าเราจักรับดินดั บ, บาตมีแกงถั่วพอเสมอแกงถั่วเขียวถั่วราชมาหรือว่าแกงถัวพลูเป็นต้นพอมือหยิบได้ประมาณเท่าส่วนที่สี่แห่งข้าวสุก มีในบินตาบาดใดบินตบาดนั้นชื่อว่ามีแกงถั่วพอเสมอเมื่อรับแกงถั่วให้ยิ่งไปกว่านั้นเป็นทุกกฎรับแกงกลับแล้วด้วยเนื้อปลาและใบไม้พ้นจะแกงถั่วให้มากพอดีหรือรับแกงถั่วแต่ยากและคนรปรนนารือรับเพื่อผู้อื่นหรือได้เอาด้วยทรัพย์ของตนแม้มากก็ไม่เป็นอบัติอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นความประพฤติ ของในชนในชมพุทวีหรือว่าในชนในอินเดียนั่นนะน ะ, นะเขาชอบรับประทานข้าวกับแกงถั่วจะมีแกงถั่วเป็นประจําแล้วก็มีกับข้าวอย่างอื่นผสมฉั้นแกงถั่วนี้ถ้ารับมากนี่เขาให้รับแค่ประมาณส่วนที่สี่ของเขาถุกเท่านัน้ถ้ารับมากกว่านั้นนี่จะเป็นอับัตแกงถัวนี้จะหยิบได้ใช้มือหยิบได้ต่อไปสมารติติกะปฏิกะณนะสิกขาบทที่สี่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 แม้จะพูนล้นขึ้นมาก็ตามควรอยู่อันนี้เฉพาะยา마การิกเท่านั้นนะที่พูนขึ้นมาแล้วก็เป็นอบัตสํำรบาตที่ควรอธิษฐานแต่ถ้าบาตไม่ควอธิษฐานก็ยังไม่เป็นอ ბ ัตบาตเล็กหรือบัตใหญ่เป็นไปเนี่ยแต่ถ้าพวกยา마การล็กสัตหาการเล็กยาวชีวิตจะพูนล้นขึ้นมาบาตจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็แล้วแต่อันนี้ยังไม่มีอบัตของใดรับสองบาทแล้วถ่ายลงบาทหนึ่งแล้วส่งมาวัดก็ดีหรือขนมท่อนอ้อยผลไม้เป็นต้นอันใด เขาวางลงพูนอยู่แม้ตันเข้าจะพร่องลงไปหรือเขาเอาพวง ก, กระวานเป็นต้นวางข้างบนถวายให้หรือของใดรองใบ ไ, ไม้และถ้วยวางบนบาทก็ดีของเหล่านั้นจะชื่อว่าพูน ล, ล้นเป็นจอมก็หาไม่เพราะเหตุนั้นรับของทั้งพวงนั้นควรอยู่แม้พิจุขให้ก็ไม่ค้นอาบัตสําหรับข้อนี้นะรับพูนบาทไปไม่ควรในที่ทั้งพวง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 ต่อไปสัพกจาพุนชนะสุขาบทที่ห้าพึงทำความศึกษาว่าเราจักทำให้ดีก็คือตั้งสติฉันบินทบาทโดยเคารพจักไม่ฉันพลางเล่นพรางปัดตัดสัญญีพุนชนะสุขาบทที่หกพึงทำความศึกษาว่าเราจักมีความหมายอยู่ในบาทจักไม่และดูในที่นั้นฉันบินทบาทก็คือจะต้องต้องดูอยู่ในบาทรขณะฉันบินทบาท สปภานะปุญชนะสิกาบทที่เจ็ดเพื่อทำกามศึกษา ว, ว่าเราจัดฉันบินทบาดกวาดให้เสมอโดยลําดับไม่ทําข้าวให้เป็นขุมลงไปในที่นั้นๆจัดให้ข้าวแก่ผู้อื่นหรือจัดแบ่งข้าวลงในภาชนะอื่นกดให้เป็นขุมลงในที่นั้นนั้นก็ดีในแกงกับหยิบไม่เป็นลําดับลงไปก็ดีไม่เป็นอาบัติถ้าข้าวสกกนี้ต้องฉันให้เป็นลําดับสมั ถูปะกะพูนชนะสิกขาบทที่แปดพึ่งทำความศึกษาวา่าเราจักฉันบินธบามีแกงถั่วเท่าตัวที่สี่แห่งข้าวสุกดังกล่าวแล้วก่อนในแกงเนื้อแกงปลาหรือว่าแกงถั่วของญาติของคนปรณนาหรือแลกมาด้วยทรัพย์ของตนแม้ฉันมากก็ไม่เป็นอาบัติในถูปะกะตะพูนชนะสิกขาบทที่เก้าพึ่งทำความศึกษาวา่าเราจักฉันบินธบาไม่กดเจาะลงไปแต่จอม แต่ท่ามกลางอย่างเดียวพิกสุกไห้ไม่มีในที่นี้ข้าวน้อยกว่าเป็นกองข้าวแห่งเดียวกันกดลงไปตรงกลางฉันไม่เป็นอบัติแต่ว่าพิกสุขไหก็ไม่พ้นนบัตขอ้อนี้ในโอดัณปฏิชาดณณสิขาบทที่สิบพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่เอาข้าวสุกกลบแปลงหรือกับด้วยอาศัยความประสงค์จะได้มากจะให้ได้มาก ที่ทุกขให้ควนี้ก็ไม่พ้นการเป็นอาบัติในมาคตะสมัยคราวห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ถ้ายกผู้เจ้าของเขาปลบให้เองหรือไม่อาสัยตามประสงค์จะได้มากกรบเสียเองก็ดีไม่เป็นอาบัติถ้าไม่ต้องการอยากได้มากกรบเอาไว้ก็ไม่เป็นอาบัติในสูปโปธนวิญยติที่สิบเอ็ดพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข่จักไม่ขอแกงหรือข้าวถุกเพื่อตนเองฉัน ขอแต่ญาติและคนปาวนาหรือว่าขอเพื่อผู้อื่นหรือแลกเอาด้วยทรัพย์ของตนก็ไม่เป็นอบัติในอุชานาสันดีสิกาบทที่12เพึ่งทําความศึกษา ว, ว่าเราจะไม่หมายจกยกโทษแล่แลดูบาปแห่งพิจุเอ่นแม้พิจุให้ก็ไม่พ้นอบัตรอนนี้นะแลดูได้คิดจะให้หรือจะให้ผู้อื่นให้หรือแลดูด้วยในคิดจะยกโทษไม่เป็นอบัติ กับพระสิกบทที่สิบสามพิ่งทํำการศึกษาว่าเราจับไม่ทําคําข้าวให้โตนะักคาข้าวเท่าฟองนกยูงชื่อว่าโตนะต่ำกว่านั้นชื่อว่าไม่โตนะักในของเคี้ยวทั้งปวงเป็นต้นว่ารากไม้หรือพลาผลและแกงแม้คําโตไม่เป็นอบัติคําข้าวก็ฟองนกยูงเท่าไผ่นกยูงโตเกินไปแล้วไผ่ไก่ก็เล็กกินไประหว่าง น, นี้ก็ชื่อว่าไม่โตนะักอย่างว่า ปากของคนในอินเดียสมัยก่อนนี้อยักหน้นะถ้าคำข้านี้ก็ต้องปั้นเป็นคำคาห้ามตัดและขัดจะมีอบัด ต, ต่อไปอโลปสุขาบทที่14พึงทำความศึกษาว่าเราจักทำคําข้าวให้เป็นปริมณฑลให้กลมกลมก็คือไม่ให้ยาวในของเคี้ยวทั้งปวงและพลาผลและแกงถั่วเป็นอนาบัดก็คือจะทำยังไงก็ไม่เป็นไรนะถ้าเป็นพวก ผลไม้โอ่แกงถั่วต่างๆในอนาหะตะสิขาบทที่สิบห้าพึงทําความศึกษาว่าเมื่อคํำข้าวยังไม่มาถึงปากเราจะไม่อ้าปากไว้ก่อนไม่อ้าปากไว้รอท่าอ้าไว้เดี๋ยวมะเร็งวันเข้าไปก็ไม่สมควรไม่เหมาะสมไม่ดีไม่สวยด้วยต่อไปพูณชนะมานะสิกขาบทที่สิบหกพึงทําความศึกษาว่าเราจะไม่สอดมือทั้งหมดเข้าในปาก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 แต่ว่าไม่มีอบัตดเฉพาะคําข้าวในสิกขาบทที่สิบเก้ากับพระราวเฉจะกับสิกขาบทคุณทําความศึกษาว่าเราจักไม่กัดคําข้าวฉันแม้ในแกงและของเคี้ยวและผลาผลก็เป็นอนาบัติกัดได้ถ้าเป็นผลไม้เป็นผลาผลต่างๆอันนี้ก็กัดได้ไม่มีอบัติเฉพาะคำข้าวห้ามกัด ในอะวะคันดการักติขาบทที่ยี่สิบพึงทําความศึกษาว่าเราฉันจักไม่ทําคําข้าวให้ตุยในกระพุ้งแก้มดังวานอนก็คือไม่ฉันทํากระพุ้งแก้มไม่ตุยส่วนพลาผลผลไม้แรงต่างเหล่านี้ก็ทําให้ตุ๋ยก็ไม่มีอบัตแต่ก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหรต่อไปอัตนะทุนกักสิขาบทที่ยี่สิบเอ็ดพึงทำความศึกษาว่าเราฉันจักไม่ำำมนนมสลับมือจะไม่ฉันสลับมือ เก็บกากเก็บผงทิ้งสลับมือไม่เป็นอบัตข้ามมาติดแล้วก็สลับหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นอบัตฉันไปสลับมือไปหนึ่งก็ไม่สวยงามต่อไปสิทธาวากราชสิทธาบทที่ยี่สิบสองพึงทําความศึกษา ว, ว่าเราฉันอยู่จังไม่ทําเมล็ดข้าวให้ตกเรี่ยร้ายในที่นั้นเก็บกากและผงทิ้งมเมล็ดข้าวตกด้วยก็ไม่เป็นอบัตในชิวหานิชาราชสิทธาบทที่ยี่สิบสามพึ่งทําความศึกษา ว, ว่า เราฉันจักไม่แลบเล้นออกจักไม่ฉันแล้วก็แลบเล้นออกมาในจัปปุจปูกาละการสิกษาบทที่ยี่สิบสี่พึ่งทําความศึกษาว่าเราฉันจักไม่ทําเสียงดังจัปปุจปูก็คือเสียงดังจับ จ, บจบับข้อที่ยี่สิบห้าสุรุสุรกาละกัตสิกขหาบทพึ่งทําความศึกษาว่าเราจักฉันไม่ทําเสียงดังสุรุสุรุก็คือดังตุสตุสมัยถึงดื่มน้ําแกงเนี่ยนะอัฏฐานนิเรหกัสศิขาบทที่ยี่สิบหก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 ที่เหลืออยู่น้อยเข้าแห่งเดียวกันฉันไม่เป็นอบัติไม่คอดบาดเล่นนะเอานิ้วมือไปขูดบาดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เหมาะสมในโอทานิเลหะตะสุขาบทที่ยี่สิบแปดพึงทางําความศึกษาว่าเราฉันจากมิเรียริมผีปากแม้แต่ข้างเดียวได้ลิ้นก็แล้วจะเม้มริมผีปากให้อามิตที่ติดอยู่เข้าไปในปากนั้นควรอยู่แต่ว่าจะเปเรียริมผีปากพลัดแบบงูแลบลิ้นออกมานี้ยก็ไม่ดีไม่สวยงาม สามิสสหัตศสิกขาบทที่ยี่สิบเก้าึงทําความศึกษาว่าเราจักไม่จับถือภาชนะน้ำฉันด้วยมือเปื่อนอามิ t ข้อนี้ห้ามด้วยมือเปื่อนอา m ิ t รปฏิกกลเพราะเหตุนั้นแม้สังและขันและถ้วยน้ำแม้เป็นของสงหรือว่าของกระหัตหรือของตัวเองก็ดีอย่าพึงจับถือเลยเมื่อจับถือเป็นทุกข์กหรือเป็นของใครก็แล้วแต่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 แล้วก็ไปอมน้ำจากบาดเลนะบาดนั้นก็ชั่วเปื้อนไปแล้วนั้นจะจับ ก, ก็ไม่เป็นไรในสิ 30, 30กขาบทที่สามสิบสาสิทธะปัโตปะโปะะวนาเพิ่งทำความศึก ษ, ษ, ษ, ษาว่าเราจับไม่เทน้ำล้างบาดทั้งเมล็ดข้าวลงในละแวกบ้านเก็บมเมล็ดข้าวขึ้นจากน้ำกองไว้แห่งหนึ่งเทแต่น้ำหรือว่าขยี้มเมล็ดข้าวให้ละเอียด ไปในน้ําเทเสียหรือว่าเทในกระโถนแล้วก็เอาไปเทเสียหรือว่าเอาไปเทเสีข้างนอกเหล่านี้ก็ไม่เป็นอบัตในสามสิบสิกขาบทนี้พิจูดใดอาศัยความไม่เอื้อเฟือแกล้งร่วงต้องทุกดกถ้าไม่แกล้งไม่มีสติมีอันตรายพิจู บ, บ้าเป็นต้นไม่เป็นอบัติทุกสิกขาบทก็แต่เป็นไข้นั้นเป็นอาณาบัตอยู่ในยี่สิบหกสิขาบทยกสี่สิกขาบทก็คือรับพูนบาต รับเดินขอบปากบาทแล้วก็ฉันเจาะขุดฉันเจาะขุดข้าวศุกลงไปเอาข้าวศกลบแกลงกลับเพื่อหวังจะได้มากแล้วก็ไปแลดูบาดของผู้อื่นเพื่อ ย, ยกโทษติดศัตรูนี้แม้พี่ถูกไข่ก็ไม่พ้นอันนี้ก็เป็นโภชนาปฏิสังยุทธจบศิตรูนีว่าด้วยเรื่องของการขบฉันต่างๆสําหรับธรรมเทศนาปฏิสังยุทธ์ก็เอาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้ขอให้ท่านได้อบรมเสกียวัฒนคือทําความศึกษา ในศิกาบทที่ควรจะต้องศึกษาแล้วก็ทั้งศีลสมาธิปัญญาก็เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาเพราะว่าเป็นการศึกษาเป็นอาธิศีลเป็นอาธิคิตเป็นอาธิปัญญาศิกษาเป็นสงที่ต้องศึกษาทั้งหมดถ้าศึกษาได้ร้องบริบูรณ์ก็จะเป็นเหตุที่ทําให้บาลุอริยสัจธรรมให้พ้นจากปัจบุตรทุกข์ได้ฝ่ายท่านทั้งหลายได้โอกาสในการพร้นจากปัจตทุกข์ได้ตัดรู้อริยสัจสีโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ